พระธรรมเทศนาแผ่นที่83าลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่10ทธันวาคม2558มีชื่อเรื่องว่าบัญญัติรัฐธรรมนูญสง วันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันนี้เป็นวันที่สิบธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดวันนี้เป็นวันพระแรมสิบห้าค่ำเดือนสิบสองแปลว่าเดือนสิบสองดับแต่วันพุ่งนี้ถ้านับเป็นจันทรคติ นับทางพระจันทร์ทางพระพุทธศาสนาเนี่ถือทางจันทรคติก็เป็นวันที่หนึ่งปลว่าขึ้นปีใหม่ขึ้นปีใหม่ของทางจันทรคติละแต่ทางชุรยิยคติก็เป็นวันที่หนึ่งมกราแต่ว่าทางจันทรคติจันทรคติเร็วกว่าเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันปฏิบัติธรรม เป็นวันอุโบสถของพระสงฆ์เป็นวันสิ้นเดือนเป็นวันสิ้นปีของพุทธศักราช2558ของจันทรคติและวันให้เป็นถือว่าเป็นวันสําคัญทางบ้านเมืองของพวกเราอีกคือเป็นวันที่10เป็นวันพระราชทานรัฐธรรมโ น, นูญในรัชกาลที่7 เป็นวันที่เอากฎหมายปกครองประเทศชาติเป็นวันรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นวันสําคัญของประเทศชาติจึงได้หยุดขรรดาการทุกหน่วยทุกห ม, กหมู่ทุกเหล่าหยุดในการทํางานเพราะถือว่าเป็นวันสําคัญแต่ตามไม่จริงรัฐธรรมนูญของประเทศทร า, าวบว่า มาณวันนี้เชกไปถึงสิบก้าฉบับหลวงพอ่อท่าหลวงพอ่อจาไม่ผิดนะแปลว่าขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นด้วยเอาเช็กตั้งขึ้นมาไม้แล้วก็เช็กตั้งขึ้นมาไม้ทั้งที่ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ประมาณ80ดสงฟังๆดูแลประมาณ80 80บปปีถ้า ยังไงก็ให้พวกเราไปค้นคว้าศึกษาอีกสักรอบก็ได้อลวงพ่ออาจจะพูดผิดก็ได้แต่ประมาณนี้แหละตั้งแต่รัชธรร ม, มนูญปลกครองประเทศชาติแตกต่าง ก, กันกับพระพุทธศาสนาแตกต่างที่ตรงไหนคือพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นพระองค์ก็ ประกาศพระศาสนาแนะนำพระสงฆ์ในยุคสมัยนั้นพอพระสงฆ์มากขึ้นมาทีนี้นก็การบริหารจัดการการดูแลพระสงฆ์ก็ยังไม่มีกฎกติกากเหมือนกับยังไม่มีรัฐธรร ม, มนูญอานาจอยู่กับผู้ใดเห็นว่าผิดก็บอกว่าผิดเพราะยังไม่ได้ตั้งวินายยังไม่ได้กาหนดวินยเพราะนั้นพระองค์ เห็นว่าพระสงฆ์มากขึ้นมาการกระทาของพระสงฆ์บางองค์ก็ออกนอกลูนอกทางเพราะแนวความคิดคิดว่าไม่พิสเพราะตัวเองเออไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เพราะยังไม่ได้มีกฎกติกายังไม่มีหลักพระธรรมวินยัยแต่ในต่างคนก็ต่างแสดงออกในการกระทาของตนเอง เพราะนาณาจิตต่างนานาทัศนะเพราะยังไม่มีกฎกติกายังไม่มีกฎระเบียบจากนั้นพระพุทธองค์เห็นว่าพระสงฆ์มากขึ้นควรจะมีวิทย์ในเลิกกฎกติกาหรือว่ากฎหมายปกครองสงฆ์จากนั้นพระองค์จึงส่งสัญญาณส่งสัญญาณ ถ้าหากว่าเป็นทุกวันเด็กก็คงจะส่งเครื่นกระแสวิทยุหรือโทรทัศน์หรือว่าโทรศัพท์หรือวา่อาไลน์ไปสุภสงสาพกาให้มาไปชุมพร้อมกันในวันเดือนสามเพนในเวลาบ่ายที่วัดป่าเวลุวันใน เขตแขวงกุงราชคือเพราะนั้นพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ที่บวชเฉพา ะ, ระ พ, พระพุทธเจ้าคือพระอรหันต์ที่บวชเฉพา ะ, ระ พ, ดดาาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนบวชให้บวกง่ายๆบวชโดยเอหิภิกขุอุปสมบทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทาเรากล่าวไว้ดีแล้ว เพียงแค่นี้ก็เป็นพระภิกษุเพราะท่านได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลโดยมากเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระหรหัน์ทั้งหมดมาในวันนั้นมาในวันเดือนสามเพลนเวลาบ่ายมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดแนะไม่ได้มีจดหมายไม่ได้ประกาศท่วงนาไว้ก่อนพระองค์เพียงแต่ว่ากาหนดว่าให้มาประชุมพระสงฆ์ที่เป็นเอหีภิฆู ให้มาไปชมพร้อมกันที่วัดป่าเวทุวันแห่งนี้ในเวลาปันนี้เวลาบ่ายพระสงฆ์เหล่านั้นก็มาด้วยฤทธิ์มายังไงก็ไม่รูน้นมาด้วยฤทธิ์มาถึงมาพร้อมกันเวลาบ่ายโดยที่ไม่ได้นัดแนะภิกษุพันธสองรอห้าสิบูปมาพร้อมกันจากนั้นพระองค์ก็บัญญัติวินันหรือว่า บัญญัติกฎรัฐธรรมนูญปลกครองสงฆ์พระสงฆ์ทั้งหลายก็นั่งพร้อมกันแต่ในสำคัญในวันนั้นที่พระองค์ได้ตรัสว่าให้พระสงฆ์เหล่านั้นเมื่อบัญญัติวินัยกฎ ก, ฎกฎติกาแล้วท่านก็บอกว่าสับปะปาปัสะอะการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่ง กุศลสูปราสัมปดาการยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งสจิตตปริยรปานังการทําจิตใจให้ผองแผ้วพองใสให้หมดจดจากกิเลสหนึ่งเอตังพุทธานศาสนังนี่แหละคือทำขับสอนของพระพุทธทเจ้าทั้งหลายอันนี้คือท่านย่อดท้ายในพระปฏิโมกที่ท่านวันนั้นจากนั้นท่านก็ว่า เน้นอีกว่าอัคกกตังดุกตังไสโยปัจชาตปฏิดุ ก, กตังยยชชตตกรรมชั่วจะทำซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้พระพระองค์ท่านก็ได้ตรัสในเป็นโอวาทปฏิโมกในการอบรมบัญญัติวินยัยปกครองสงในวัน เดือนสามเพนในวันนั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่ได้ยินรัชธรรมนูญของพระพุทธเจ้าเฉกออกแล้วว่าตั้งใหม่ไม่มีมีตั้งแต่ตั้งแต่ข่าวโน้นแล้วก็จบมาพระสงฆ์ก็ได้สวดพระปฏิโมกมาโดยตลอดโดยสม่ำเสม อ, อแต่พอมาถึงยุคนี้สมัยนี้นะ่ะ บางองค์กันอันนี้ไม่ใช่พุทธวจนะอันนี้ไม่ใช่วจนะผงพุทธะก็เลยยุ่งเหยิงไปพอสมควรแต่ตามไม่จริงไม่ใช่พุทธวจนะหรือวจนะอะไรก็ตามแต่คำพูดนั้นเป็นศีลเป็นธรรมทาให้สงฆ์ทั้งหลายร่มเย็นเป็นสุขไม่แตกแยกสามัคคีกันแล้วก็ปฏิบัติไปแล้วก็อยู่ด้วยกันร่มเย็นผาสุข อันนั้นก็นับควรจะสงเคราะห์นับเนื่องเขาเป็นพุทธวจนะแต่ว่าคำใดก็ตามถ้าไม่มีเสร็จแล้วทำให้สงยุ่งเหยิงวุ่นวายอันนั้นแปลว่าผู้ทำลายพระพุทธศาสนาโดยไม่เจตนาแต่ถ้าว่าถ้าว่ามองดูแล้วมันผิดข้อไหนเอามาชี้แกงตบัดถ้ามันข้อนี้มันผิดตรงไหนเอมันมีอะไรถ้ามันถูกไม่มีอะไร มันก็น่าจะอยู่ในกลุ่มนั้นอย่างที่ยกสมัยนี้ทว่าพระขี่มอเตอร์ไซค์พระขับพระขับเครื่องบินพระขับรถจนพระก็บอกว่าก็ไม่มีในบัญญัติพระพุทธเจ้าผมจะขับมันจะผิดที่ตรงไหนเพราะไม่มีอยู่ในพระ วินัยของพระพุทธเจ้าแต่สมัยครั้งพุทธเจ้าเนี่ยยังไม่มีเครื่องบินยังไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ยังไม่มีรถยนต์แต่มาถึงยุคสมัยนี้มันมีขึ้นมาคณะสงฆ์ทางหลายก็บรรยาิว่าเออการกระทำอย่างนั้นไม่ถูกเท่าท่านขับรถไปไปเฉี่ยวไปชนไปชนคนเขาก็ต้องจับเข้าติดคุกติดตรางพระไปทำอย่างนั้นไม่น่าจะถูก ควรจะบัญญัติห้ามภิกษุไม่ให้ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ให้ขับรถยนตไม่ให้ขับเครื่องบินเอ้าไม่อยู่ในพระวินัยไม่อยู่ในพุทธวจนะ อ, อย่างนี้มันก็ไม่น่าจะถูกเพราะมันก็ต้อง อ, อยู่ในเหตุการณ์มหาประเทศสี่ อ, อยู่ในเหตุการณ์อันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรอันนี้ก็ฝากไว้กับ คณะพุทธบริษัทสเพราะพุทธศาสนาไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่ของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ของพระองค์ใดองค์หนึ่งเป็นของพุทธบริษัทสี่พุทธบริษัทสี่นี่แหละจะทําให้ศาสนาเจริญหรือทําให้ศาสนาเสือ่อมให้จิบหายออกไปก็คือ พ, พุทธบริษัทสี่นี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไวา้นี่แหละวันเดือนสามเพนเป็นวัน กำหนดระหว่าเป็นวันตั้งรัฐธรรมนูญของพระสงฆ์ขึ้นมาปกครองสงฆ์จากนั้นมาก็ไม่เคยฉีกรัฐธรรมนูญไม่เคยมีประวัติศาสตร์และไม่มีในพระไตรปิฎกว่ายุคใดสมัยใดเมื่อพระพุทธเจ้าปริเนพานไปแล้วพระสงฆ์ได้ฉีกได้ตั้งกฎกติกาขึ้นใหม่พอพระพุทธเจ้าได้พูดได้ทําไปนั้นอะ่ะไม่ถูกต้องอมีแต่พระพุทธองค์บอกว่ า, วา ดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วปรินิพานไปแล้วถ้าสิกขาบทไหนยุมหยิ้มมากเกินไปหยุมหยิมเกินไปที่เราบัญญัตินั้นพวกเธอทั้งหลายไปชมกันแล้วก็ถอดถอนจะถอดถอนสิกขาบทไหนที่เห็นว่าหยุมหยิมก็ได้นะเร า, า, อาอนุญาตให้ ให้ถอดถอนได้แต่นี้พระสั่งพระอานนท์พระอาน น, น, น, น, น, นาาทน์ก็ไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าว่าสิกขาบทที่ว่าหยุมหยิมอบัติเล็กน้อยน่ะอยู่ในกลุ่มไหนหมวดไหนพระเจ้าขาดที่จะถอนได้ก็ไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าพอพ อ, พอช่วงนั้นเป็นโค้งสุดท้าย ที่พระองค์ก็ทรงประชวรจะป่งอายุสังขารแล้วว่าอีกสามเดือนเราจะปรินิพานแต่นี้พระ อ, อ น, นุลได้ยินหรือพระสงฆ์ทั้งหลายได้ยินคำตรัสของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นจิตใจก็ยังสะท้านหวั่นไหวเพราะพระพระ อ, อ น, นุ์ก็เพียงได้เป็นพระโสดาบันท่านก็ได้ยินเสียงคำตรัสของพระพุทธเจ้าท่านั้นะ ใครข้าไม่รู้จะถามยังไงสับสนวุ่นวายในจิตใจก็ไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นแล้วก็จบเมื่อพระพุทธเจ้าผลนี้ผ่านแล้วพระมหากาสปประชุมในถ้ำกลางสวงวบทพระพุทธองค์ได้สั่งเสียอะไรไว้บ้างกัเหมือนกับพ่อแม่ของเราอที่ท่านก่อนที่ท่านจะจากไปเราก็ได้ถามไทที่เป็นลูกๆกก็ได้ถามว่าก่อนที่พ่อของเรา จะจากไปพ่อของเราได้สั่งเสียอะไรไว้บ้างไหมพี่น้องจะต้องถามกันอันนี้เป็นธรรมชาติของมวลมนุษย์อันนี้พระสงฆ์ก็เหมือนกันพระมหาเถระผู้ใหญ่ก็ถามว่ามีอะไรไหมท่านอ น, นุนที่ท่านดูแลอุปธรรมบัติกหรือพระสงฆ์องค์ไหนได้ยินทำคําสั่งอสอนของพระพุทธเจ้า ว, ว่ามีอะไรไหมที่ท่านได้สั่งเสียพระอนุ์ก็บอกว่ามีอยู่สองสามอย่าง เออคือข้อหนึ่งกันตรงนี้แหละตรงที่ว่าอาบัตเล็กน้อยเนี่ยข้อหนึ่งกันที่ลงผมว่าทานให้พระฉันนะลงผมวาทานกับพระชนนะที่หัวดึงหัวรั้นกติน่ะท่านก่อนมาเน้นพระมหากัตน์เถระราถามว่าท่านอานน์ได้ถามพระพุทธเจ้าหรือไม่ว่าอาบัตที่จะถอนหนะยุ่มเยีมอบัตเล็กน้อยนะ่ะกลุ่มไหนไม่ได้ไม่ได้ถามเพราะว่าข้าพระองค์กับผมเอง ก็ตกอยู่ในสภาพ ว, าว้าเหว้างวา้างคล้ายคล้ายกับว่ า, า, วา ท, ทุกใจที่ได้รับทราบาของพระพุทธเจ้าจากปรินิพพานก็ไม่ได้ถามครับผมพระสงฆ์ทั้งหลายก็ตำหนิพระอานุ์พระอานุ์ก็ยอมรับเพราะเหตุว่าไม่ได้ถามจริงๆ จ, จากนั้นพระมหากัตนปาเถระ ท, รท่านก็บอกว่าเอาแต่อย่างนั้นประชุมส่ง ทั้งที่พระสงฆ์ในวันนั้นตั้งห้าร้อยรูปนะร้วนแต่เป็นพระหรหันธ์ทางนั้นเป็นผู้มีแตกฉานในปฏิสัมพิธาญาลทุกอย่างคือว่าพระหรหันจํจำนวนห้าร้อยรูปเนะี่ยเลือกสรรกันเองแปลว่าเหาะเหินเดินฟ้าได้แตกฉานในอัตในธรรมทั้งหมดที่มาไปชมกันในถ้าจัตตบรรท์ูหาในกรุงราชคือในวันนั้น ที่ว่าสังขาร ย, ยนาครั้งแรกจากนี้พระอัศมหกรรมจะปะเอาพวกเราจัดเป็นกลุ่มกันให้ปรึกษากันที่ว่าเราจะถอดถอนอาบัตเจ็กน้อยเนี่ยจะถอดถอนอย่างไรจากนั้นก็ถามไทยกันได้กลุ่มก็เข้ามารวมกลุ่มกันบางองค์ก็ว่าเนี่ยนะสเสเกีวัดหรือว่าอาบัต ที่ไม่ได้สวดอภิษณอภิษมาจาร์ถอดถอนทั้งหมดศิลอภิษมาจารย์ก็คือศินนอกพระปฏิโมกศิลที่ไม่ได้สวดในพระปฏิโมกต์หรือว่าศิลอภิษมาจาร์อย่างพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าอย่าไว้หนวดยาวอย่าไว้ผมยาวอย่าไว้ขนจมูกยาวอย่าไว้เล็บยาวถ้าหากว่าเอาไว้ยาวปรับอบัติทุกกฎปรับอวบัดปรับโทษ อันนี้แปลว่าไม่มีไม่ได้สวดในพระปฏิโมกข์อันนี้โอ้สิขาบทเหล่านี้เนะี่ยเป็นพันพันหมื่นหมื่นนะกําหนดยังไม่ได้ว่าเป็นเป็นเท่าไหร่ศินของพระเหล่านี้ผ้าสียังไงผ้าอะไรผ้ายับใหญ่เล็กขนาดไหนอย่างนี่ยเราไม่ได้สวดในพระปฏิโมกข์มีมากศิลศระินของพระสงฆ์ในจุดนี้แล้วก็ศินมาในพระปฏิโมกข์สองรอยยี่สบ็ด อธิกรณะสมบทา 7, เจ็ดเสข ย, ยวัตรเจ็ดสิบ้าปฏิเทสนยะสี่ปารจิตีเก้าสิบสองนิตคียาปารจิตีสามสิบอเนยศสองสังฆาทิเศษสิบสามปาราชิกสี่รวมกันแล้วสองร้อยยี่สิบเจ็ดสิกขาบทาแต่พระสงฆ์เหล่านั้นทั้งห้าร้อยองค์ บางองค์ก็ว่าอภิสมาจาร์เนี่ยถอนออกทั้งหมดบางองค์ก็ว่า เ, าเสกียวัตรเอาออกทั้งหมดน่แหละคือพระสงฆ์ทั้งหลายไม่เอกฉันพูดง่ายง่ายแต่ทั้งที่เป็นพระหันเหมือนกันทั้งหมดแต่ไม่เอกฉันเพราะเหตุไรเพราะว่ า, าแต่ในความเห็นของหลวงพ่อนะไม่ใช่ความเห็นในพระไตรปิฎกท่านพูดเอาไว้แต่ความเห็นของหลวงพ่อ หลวงพ่อว่าเพราะพระสงฆ์เหล่านั้นทั้งห้าร้อยองค์ผู้เป็นกษัตริย์ก็มีเป็นพราหม์ก็มีเป็นพ่อค้าก็มีเป็นชาวไร่ชาวนาก็มีท้านได้เมื่อมาคล่ากันพวกกษัตริย์ทั้งหลายก็บอกว่าเสกยวัตนี่คือมรยาทในการเป็นอยู่ควรจะเอาไว้ถอนไม่ได้ห้ามเด็ดขาดจะห้ามถอนเพราะอันนี้เป็นมรยาทในการ อยู่ในชุมชนสังคม เ, เพราะว่าเราจะนุ่งห่มให้เรียบร้อย อ, อย่างนี้เป็นตน้นเราจะไม่เดินไกวแขนเราจะไม่พูดเสียงดังไปนั่งในบ้าน อ, อย่างนี้เป็นตน้นมีมากมายทิ่ข่าวบทเราเนี่และ ก, การฉันก็เหมือนกันเราจะไม่ฉันดังจับจับเราจะไม่ฉันดังสู้สูเ้เราจะไม่ฉันเลียมือเราจะไม่ฉันเลียริมฝีปาก เราจะไม่ฉันทำกระพุ้งแก้มให้ตุย๋ยเราจะไม่ฉันพลางสะบัดมือพลางเราจะไม่ฉันกัดคำข้าวเราจะไม่โยนคำข้าวเข้าปากเมื่อคำข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พูดอันนี้ก็คือพรอวินัยที่สวดสวดพระปฏิโมกขอย่างวันนี้หลสวดตัวนี้สวดทุกทิขบทที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังอันนี้ก็คือพระสงฆ์กว่าเอาออกก็ได้พวกชาวนานะ เออผมพ่อคิดว่านะ่ะพวกชาวนาพวกเอพ่อค้าตลาดทั้งหลายแต่พวกกษัตริย์พวกพราหมอูไม่ได้อันนี้มันญาติในชุมชนสังคมแต่พวกชาวไร่ชาวนาพวกพ่อค้าเอ้ยอย่าไปหากินจีบปา ก, กจีบคออะไรยัดเข้าปลาให้อิม่มกินอิม่มแล้วก็พอแล้วเอออย่าไปหาพิถีพิธันอะไรการอยู่การกินเนี่ยแหละคล้ายๆกับความคิดความเห็นเนะี่ย มันไม่ตรงกันทเลยเออจากนั้นเขามาเขามากับพระมหากัสปะที่เป็นประธานสงก็นั่งเน่งเออพระสงฆ์ทั้งหลายคนนั้นเอาออกตัวนี้เนี่ อ, ออกตัวนั้นพระมหากัสปะก็เลยบอกว่าดูก่อนหมู่พวกเพื่อนสงฆ์ทั้งหลายผมว่าถ้าเอาออกเนี่ยมันก็คงจะไม่สม่ำเสมอเพราะความคิดเห็นเนี่ยมั น, ม, นมันไม่เอกฉันแปกแตกต่างกัน เพรา ะ, ะนั้นผมว่าที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ทั้งหมดเป็นประโยชน์ทั้งหมดท่านจึงบัญญัติวิในปกครองสงฆ์เพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะาไว้ทั้งหมดอไ ม, ไม่ไม่ควรจะถอดถอนในธรรมวิในในวิในของพระพุทธเจ้าที่ปกครองสงฆ์สงฆ์เห็นด้วยไหมหรือว่าจะมีผู้องค์ไรคัดค้านพระสง ห้าร้อยรูปเป็นพระสารเห็นด้วยสาทุใช่ถูกต้องไม่ควรจะถอดถอนถ้าถอดถอนก็อาจจะลุ่มล่มดอนดอนในการถอดถอนอวินัยของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้ดีแล้วนะนี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาของวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติพระสงฆ์ทั้งหลายยอมรับน้อมรับก็เลยก็ไม่มีการถอนวินัยซิกขาบท แตข่ขนาดนั้นกนะ็เถอะขนาดพระพุทธเจ้าบัญญัติไม่ถอดถอนวินยัยวินัยก็อยู่ในตัวหนังสือชัดเจนอยู่แล้วแต่พระสงฆ์ที่ลงมือประพฤติธปฏิบัติตามวินยัยยังมีการย่อหย่อนอย่อหย่อนต่อวินยัยก็มีมากต่อมากทุกวันนี้แต่จะชักใช้ไล่เลียงตามวินัยแล้วพระสงฆ์รู้สึกว่าบางบางบางหมู่บางหมวดบางองค์ย่อหย่อน ตอหลักพระธรรมวินัยก็มี อ, อไม่ใช่น้อยแต่มีแต่หลวงปู่มั่นต้นตระกูลพระกรรมฐานของพวกเราเนี่ยท่านว่าพระสงฆ์ทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายให้เคารพวินัยนะอ อ, อย่ามองข้ามนะวินัยเล็กน้อยทั้งหลายทั้งปวงหนมันเหมือนกับผงธุลีผงธุลีนั่นแหละมันจะเข้าตาของพวกท่านทั้งหลายเมื่อเข้าตาแล้ว ตาของท่านจะฟ้าฟ้าฝางมองไม่เห็นสัจธรรมคือของจริงขอนยูงขอนยางมันไม่เข้าเราเราเห็นก่อนมันจะเข้าได้มันใหญ่อันอาบัตเล็กๆน้อยๆยนั่ น, นะที่พวกท่านเห็นว่าไม่สำคัญนะะั่นะจุดนั้นละจะทำให้พวกท่านทั้งหลายมัวมองในสิ่และวินยัยจากนั้นการประพฤติปฏิบัติก็เป็นมลทินทางด้านจิตใจทาให้จิตใจของพวกท่านไม่มองเห็นสัจธรรม คือของจริงเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายต้องรักษาวินัยนะอันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่ม่นของพวกเราท่านเน้นหนักเรื่องศีลและวินยัยทกศิกขาบทเพราะนั้นให้พวกเราได้ฝังเอาไว้พระสงฆ์หมู่หมู่พวกเพื่อนทั้งหลายนี่แหละอันนี้หลวงพ่อวันนี้ได้ปรารถนาว่ารัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะมาจังแปดสิบ กว่าปีกับฉีกไม่รู้ว่ากี่ฉบับแต่กฎหมายปกครองคณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้าปกครองมา 2,558 ปียังไม่มียุคใดสมัยใดที่จะรื้อถอนอหักล้างในพระธรรมวินัยก็ต่างคนก็ต่างยอมรับกันในหลักพระธรรมวินัยน้นๆอันนี้พูดเรื่องกฎระเบียบเรื่องศีล น, นะ สินและวิเนยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตรัฐกฏอย่างอยู่ตราบนั้นพระพุทธเจ้าท่านรตรัสไว้นะ เ, เพราะนั้นเรื่องศินและวิเนยไม่ใช่ของเล็กน้อย เ, ออเป็นต้นต่อของการเป็นอยู่ร่วมกันการอยู่ด้วยกันศินคือกฎระเบียบถ้าว่าคนไม่มีศิลไม่ไม่มีศีลาจารวัดแล้วแล้วเราจะทํำยังไงการอยู่ด้วยกันแล้วก็จะ การไม่มีศีลบางทีก็ไปข่าไปคดไปโกงไปทำอะไรเป็นอาบัติมาและจะมานั่งภาวนาจิตใจของเราคนวิตกกังวลว้าเวคิดบุงฟุ้งสานว่าเราได้ทำผิดได้เราได้ทำถูกจิตไม่เป็นสมาด์มันจะเป็นสมาธิได้อย่างไรเพราะใจของเราไปทำผิดมาหยกหยกหรือทำผิดมาโดยตลอดนี่แหละศีลเมื่อเรารักษาดีแล้ว มันก็เป็นรั้วกัน้นทำให้จิตใจของเราไม่ออกนอกครูนอกทางในเมื่อของเราอยู่ในกรอบเมื่อนั่งสมาธิจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบได้เน่งในเมื่อจิตของเราเข้าสู่ความสงบเน่งเป็นหนึ่งเมื่อถอนออกจากความสงบมามาพิจารณาก็เป็นปัญญาที่แท้จริงเห็นจริง เ, เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็เห็นธาตุ ในร่างกายของเราร่างกายของเราคือธาตุสีนะธาตุสีก็คืออะไรธาตุกระดูกก็คือของแข็งอย่างพวกเราสวดมากินะอย่างโคเมกาโยกายของเรานี่แหละอันนั้นให้พิจารณาเป็นอรจุภะแต่พิจารณาเป็นธาตุก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยมีธาตุสีดินน้ำลมไฟดินคืออะไรก็คือผมกระดูกเป็นของแข็ง นี่ว่าธาตุดินธาตุน้ำคืออะไรธาตุน้ำก็คือน้ำเลือดพวกเลือดพวกปัสสาวะพวกน้ำตาที่ไหลออกจากตาของเราอันนี้เป็นว่าน้ำธาตุดินน้ำลมลมหายใจเข้าหายใจออกลมในลำไส้ที่มาลองโกกากในลำไส้ของเรานี่แหละลมไฟ คือทำให้ร่างกายอบอุ่นเผาอาหารให้ย่อยแล้วก็ที่ทำให้เหงื่อออกมันมีธาตุไฟมันประกอบด้วยธาตุซีแต่ธาตุดินเป็นพื้นธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอาศัยธาตุดินธาตุดินเป็นพื้นเป็นเหมือนกับพื้นดินพื้นดินกับีธาตุแล้วสีลนั้นก็อาศัยอาศัยธาตุดินแต่ทึงยังไงก็ตาม ถ้าว่าธาตุไฟหมดร่างกายของเราธาตุไฟไม่มีเย็นเฉียบร่างกายก็อยู่ไม่ได้ตายคนนั้นตายถ่านน้ำถ่านน้ําหมดเตื้อตหมดคนก็อยู่ไม่ได้ตายลมหมดไม่ต้องพูดลมหายใจเข้าออกไปเข้าไม่ออกนั่นแห ล, ละตายนี่แหละอันนี้ก็คือร่างกายของมนุษย์ชาติ มันเป็นมีอยู่ธาตุสีดินน้ำลมไฟพิจารณาเป็นธาตุก็ได้ น, ะนี่แหละทื่เมื่อจิตของเราเข้าสู่ความสงบผ่านความสงบเป็นหนึ่งแล้วนะ่ะมาพิจารณาธาตุสีกนะ็เห็นได้ชัดเจนในเมื่อเห็นธาตุสีจบจบแล้วเนะีกับพิจารณาดลง่ามาพิจารณาถึงใจนะใจคือตัวผู้รู้คือนามนะัทธร์นั่นที่มาพิจารณากายนะ พิจารณาธาตุสีไข่ธาตุสีมันก็เป็นดินน้ำลมไฟเอ่เท่านั้นแหละไม่ใช่ว่าธาตุสีพิจารณาตัวเองไม่ใช่นะใจของเราเนี่ยตัวตัวผู้รู้ตัวนึกตัวคิดเนี่ยเอ่ที่พวกเราได้สวดเมื่อกี้เนี่ยคือใจของเราสวดเอ่หารยายก็พิจารณาดูร่างกายของเราเอ่ธาตุสีไม่ใช่ของเรานะร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของเรานะอีกสักวันหนึ่งนะ แตกตายสลายนะดินไปสู่ดินน้ําไปสู่น้ำํำลมไปสู่ลมไฟไปสู่ไฟนะแต่ธาตุดินจะหมดช้ากว่าธาตุทั้งสีนั้นธาตุทั้งสีนั้นหมดเร็วกว่าน้ําก็ซึมซับไปแต่ดินเนี่ยกว่านที่มันจะละลายหมดนะกระดูกมันจะละลายไม่ใช่ของง่ายนานทีเดียวแต่มันต้องละลายในที่สุดถ้ากระดูกไม่ละลายเป็นยังไง ในมนุษย์โลกเนะี่ยกี่หมื่นกี่แสนคนเกิดมาถ้ามันไม่ละลายคงจะกองโพนไปหมดเหมือน ก, ก้อนหินแต่นี้มันมนละลายไปตามสภาพของมันหมดอายุนี่แหละแต่เมื่อพิจารณาถึงร่างกายหมดสภาพอย่างนั้นเลยใครเป็นคนรู้ว่าร่างกายหมดสภาพร่างกายมันตายแตกสลายในที่สุดใช่ไหมใจ ใจคือตัวผู้รู้อะไรตัวนีเมื่อจิตของเราผ่านความสงบแล้วจิตของเราขืินเน่งมาแล้วเนี่ยมาพิจารณาถึงใจน่ะรู้อะไรตัวนี้เอาใจมาพิจารณากายพอเห็นกายเท่านั้นเลนยใจขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราแตกลงสู่ดินน้ำลมไฟ เ, เราจย่ามายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของตัวตนอยู่เละมันจะเป็นของเราได้อยู่หรือใจ ใจก็ต้องบอกว่าใช่ไม่ใช่ลนะ่ะร่างกายอีกสักวันหนึ่งเอาจะต้องเผาไฟทิ้งมันจะต้องแตกสลายสู่ดินน้ำลงไปมันมันไม่ใช่ของจิรังถาวรนะนะใจนะใจดูใจใจทำความเข้าใจกับใจใจรู้จริงเห็นจริงาตามความเป็นจริงของใจจากนัก้นก็พิจนารณาไปอีกวันนึงนะขนาดร่างกายมัน สู่ดินน้ำลมไฟอย่างนั้นมันไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเงินคำทรัพสมบัติล่ะเลือกสวนไรนาล่ะยศตำแหน่งล่ะญาติพี่น้องบริวารล่ะสิ่งทั้งหลายทั้งปูงเหล่านั้นอย่างวัดป่าศาสนาอย่างนี้ยังเป็นของท่านอยู่เลอหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินก็ต้อง นึกคิดหนักใจเังพอสมควรใช่ขนาดร่างกายตัวเองยังไม่ใช่ของเราเจะไปจะเอาวัดวัดเป็นของเราได้ยังไงขนาดร่างกายยังไม่ช่วยไม่ใช่ของเราเรายังจะไปแบกวัดเองเหรอยังไปแบกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของเราอีกอยู่เหรออันนี้เป็นเพียงเป็นเครื่องปัจจัยอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวอีกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องแตกแก ย, ยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทาง ไม่ใช่เหรอใจใจที่ผ่านความสงบมาแล้วมันก็รู้เ อ, อิดชายยอมรับว่าเรานี่มาอาศัยชั่วครั้งชั่วงข่าวจากนั้นพิจารณาถึงใจออกที่เนี่ยตัวผู้รู้ออกนะั่นนี่แหละการปการภาวนาการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นนะคณะจาทยญาติโยมลูกหลานอันนี้พูดที่แรกพูดถึงวิทย์ในการอยู่ด้วยกันการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง แต่เมื่อมีพินัยมีศีลแล้วแล้วจากจากนั้นเราก็มาภาวนาเพราะศีลและพินัยเป็นรู้ไม่ให้จิตใจของเราปุงฟุ้งออกไปข้างนอกเมื่อจิตใจของเราอยู่ในกรอบอยู่ในหลักอยู่ในศีลจากนั้นเราก็ภาวนาใจของเราก็าเข้าสู่ความสงบได้ง่ายเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วก็นำจิตใจที่ผ่านความสงบนั้นถอนจากความสงบมาพิจารณา แยกแหลกแยกแยะอยู y Creator, y Creator, y ่ร่างกายสังขารจากนั learn, er ้นมองเห็นสังขารสร่างกายสังขารมาแยกแยะถึงตัวผู้รู้คือใจเองนะเนี่ยตัวใจของเราน่ยมันหลงมันหลงในสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงจากนั้นก็มาพิจารณาถึงใจปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นกระทั่งตัวผู้รู้คือใจตัวนี้ก็เป็นอนกเจังตัวไม่เที่ยงเหมือนกันสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรา มาพิจารณาตรงตัวนึกคิดตัวนี้อีกแต่ตัวนี้สําคัญมากนะถ้าสติปัญญาธรรมดานะไม่ทันนะตะคุบไม่ทันต้องเป็นมหาสติมหาปัญญาเป็นปัญญาอัตโนมัติอย่างที่องค์หลวงตาที่ท่านพูดตรงตัวนี้ต้องเข้มจริงๆเข้มแข็งจริง ๆ, งๆสติแปลว่าปากต่อปากฟันต่อฟันตาต่อตาฟันต่อฟันเลยล่ะจึงจะเห็นกิเลสตัวนี้ได้นะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรา ทุกๆท่านนะอันนี้คือแนวทางสําหรับพวกเราประพฤติปฏิบัติธรรมให้พวกเราศึกษาในจุดนี้นะที่เราจะปล่อยวางตัดกิเลสราคะโทสะโมหะที่จะมาที่จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัตสงสารเข้าสู่แดนพระนิพพานนะั่นแหะคือจุดนี้แหละลูกหลานกิเลสทั้งหลายอยู่ในจิตในใจนะไม่อยู่ในที่ไหนนะอยู่ในใจนะตัวผู้รู้นะึกคิดนะตัวนั้นแหละกิเลสราคะโทสะโมหะโลกโกรธหลงนะ่ะ ตัวเวียนไหยตายเกิดในวัฏสรงสารก็คือตัวนี้แหละว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะน้พวกเราทุกๆท่านนะหลวงพ่อได้พูดเรื่องเกี่ยวกับสินและวินยัยวันรัฐธรรมนูญวันปกครองสงของวันปกครองของประเทศไทยของประเทศชาติแล้วก็มาเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญปกครองสง ในครั้งพุทธกาล 2,558 ปีให้หลังที่กรุงราชคฤห์วัดป่าเชิด ต, ตวันวัดป่าเวลุวันพระสงฆ์พัน250รูปประชุมกันตั้งแต่วันนั้นมาท่านไม่เคยฉีกรัฐธรรมนูญเพราะอะไรเพราะท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหรันต์พระพุทธเจ้าเป็นประธานพระสงฆ์เหล่านั้นพัน250รูปเป็นผู้หมดจดจากกิเลสผู้หมดจดจากกิเลส ตั้งรัฐธรรมนูนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาอาไม่เอื้อประโยชน์ให้กับใครผู้ใดใครผู้หนึ่งตรงไปตรงม า, เ, าเป็นธรรมเป็นวินยัยใครคิดขึ้นมาเมื่ อ, อไหร่ก็ถูกต้องแต่ราัฐธรรมนูญของเมืองไทยของเราเนี่ยพอขึ้นมากลุ่มหนึ่งเข้ามาเอื้อประโยชน์ต่อคนกลุ่มของตนเองบ้างคณะของตนเองบ้างมันก็เลยไม่เที่ยงตรงก็เลย คนหนึ่งขึ้นมากับเาตรงนั้นไม่ทุกต้องนี่ไม่ทุกนก็เปลี่ยนแปลงกันอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอันนี้คือผู้มีกิเลสแต่งตั้งกฎรัฐธรรมนูญกฎหมายมันก็เลยเไม่อยู่ไม่ยืนไม่เยิ น, นถ้าว่าหลักธรรมคำสอนของพุทธะเนี่ยพระหารเป็นผู้กำหนดกฎกติกาสองพันกว่าปีอย่าง ยังแน่นป๊กอยู่ยังแน่นหนามั่นคงนะะการพูดและการกล่าววันนี้ก็ให้แนวความเห็นวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอจุติเอาตอนไปฟังเทศสักกันอีกก็ได้นะหวังเอ็มพสามของหลวงพ่ออีกสักการ์ดย่อมย่อมฟังอีกสักกันหนึ่งอันนี้หลวงพ่อพูดแนวทางสําหรับให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษานะ เอานั่งสมาธิฟังเลยนะทศนีนะ